พระบวัวเหียวกลับถึงกุฏิด้วยความเอิบอิ่มใจท่านจัดการล้างมือล้างเท้าให้สะอาดเรียบร้อยแล้วจึงสวดมนต์ทาวัดเย็นพระวัดนี้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 พระมหาบุญมอบนาฬิกาปลุกขนาดเล็กๆให้พระบวชใหม่หนึ่งเรือนเอาไว้จับเวลาตอนแรกๆต้องอาศัยนาฬิกาปลุกแต่พอปฏิบัติไปนานๆจิตมันจะรู้ได้เองอย่างผมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพึ่งนาฬิกาอยากปฏิบัติกี่ชั่วโมงอยากนอนกี่ชั่วโมงก็กำหนดจิตเอาไว้เหมือนกับการตั้งนาฬิกาปลุกพอถึงเวลากำหนดจิตจะบอกเอง มันก็แปลกนะคุณัวเฮียวตอนปฏิบัติใหม่ๆหม่ท่านพระครูก็บอกผมอย่างนี้ตอนนั้นผมไม่เชื่อผมมันคนหัวรั้นไม่ยอมเชื่อใครง่ายๆแต่ก็ชอบลองชอบพิสูจน์แล้วผมก็ได้พิสูจน์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างท่านสอนวิธีใช้ให้ด้วยพระัวเฮียลตั้งเวลาไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วก็เริ่มต้นเดินจงกลม อาศัยที่ความจำดีจึงเดินได้ถูกต้องตามขั้นตอนทุกประการท่านเดินไปเดินมาอยู่ในกุฏิซึ่งมีความยาวประมาณสาเมตรด้วยความเพลิดเพลินกระทั่งเสียงเกลิงนาฬิกาดังขึ้นกดปุ่มนาฬิกาให้หยุดคำรามแล้วก็ตั้งใหม่ให้ปลุกในตอนตีสี่หยิบเครื่องนอนซึ่งมีเสื่อหมอนกับผ้าห่มมาจัดการปูที่นอนข้างๆพระมหาบุญคลี่ผ้าออกคุมกลาย ด้วยอากาศเริ่มหนาวเย็นเพราะย่างเข้าฤดูเหมันปิดไฟแล้วจึงเอนกายลงใช้มือขวาวางบนท้องสังเกตอาการพองยุบพร้อมกับบริกรรมพองหนอยุบหนอตามที่พระอุปชาสอนสักครู่ก็ม้อยหลับไปโดยจับไม่ได้ว่าหลับไปตอนพองหรือตอนยุบ เสียงกลิ่งนาฬิกาดังขึ้นเมื่อเวลาตีสี่พร้อมๆกับเสียงพระตีระครังตามด้วยเสียงเห่าหอนของสุนัขซึ่งจะพากันเห่าหอนทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเง่งงางของระครังซึ่งดังก้องกระหึ่มไปทั่วบริเวณพระบูเหียวสะดุ้งตื่นแต่ยังง่วงเงียเพราะหลับไม่เต็มอิ่มอากาศตอนเช้ามืดหนาวเย็นน่าที่จะซุกกายอยู่ภายใต้ผ้าห่มอันอบอุ่น ท่านจึงเอื้อมมือไปกดปุ่มนาฬิกาหมายจะนอนต่อแต่เสียงที่ดังอยู่ริมหูก็ทำให้ท่านหายง่วงเป็นปลิดทิ้งบัวเหี้ยวถ้าเจ้าเกียดคร้านเห็นแก่หลับแกนอนไม่รีบเล่นคำความเพียนเจ้าจะไม่สามารถแก้กรรมได้เจ้าเดินมาถูกทางแล้วขอให้เดินต่อไปอย่าท้อถอยตื่นขึ้นเดินจงกรมเดี๋ยวนี้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 สร้างความรำคาญให้กับพระบวทใหม่เพราะท่านรู้จักกําหนดว่าไก่ขันหนอนกร้องหนอเมื่อได้ยินเสียงจุนักเหา่าท่านก็กําหนดว่าหมาเห่าหนอเดินจงกรมได้สักครู่ก็รู้สึกว่าท้องร้องโครกกรากด้วยให้ชินกับการอดข้าวมื้อเย็นสักครู่เสียงปูดปูดปดัดปาดก็ดังขึ้นเป็นระยะ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 ท่านไม่เข้าใจระบบการทํางานของร่างกายว่าเมื่อไม่มีอาหารอยู่ในกระเพาะลมที่อัดอยู่ในท้องก็จะปั่นป่วนและหาทางระบายออกอาการเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับพระบโวเฮียวเท่านั้นผู้เริ่มปฏิบัติกรรมฐานทุกคนไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตคฤหรือหัดไม่ว่าจะเป็นบุรุษหรือสตรีเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ย่อมมีอาการแบบเดียวกันนี้แท้จริงเป็นเพียงการปรากฏของสภาวะธรรมเท่านั้น เดินจงกรมเสร็จท่านก็เองกายลงนอนเอามือวางบนท้องครั้งนี้ท่านลงหนอไม่ทันจึงได้แต่พองยุบพองยุบเท่านั้นเวลาหกนาฬกาพระโบเฮียวออกบินธบาตกับพระอีกสี่รูปมีพระมหาบุญนำหน้าส่วนท่านเดินหลังสุดเพระเพิ่งบวช ท, ท่านพระครูไม่ให้พระในวัดนี้ไปบินธบาต ท, ทางเดียวกันเกินห้ารูปและให้แบ่งแยกกันไปเป็นสา ย, สาย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 ท่านรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวไม่เคร่งครัดตัวจนเกินไปแต่ก็ไม่ให้ผิดวินัยของสงฆ์เมื่อพระฉันเสร็จ พวกลูกศิษย์ก็จะแบ่งอาหารเก็บไว้ถวายเพนส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งพวกเขาก็ตั้งวงรับประทานกันวันใดมีอาหารไม่พอทางโรงครัวก็จะทําขึ้นมาเสริมงานหนักที่สุดเห็นจะได้แก่ ง, งานโรงครัวเพราะมีคนมาเข้ากรรมาฐานแทบไม่เว้นแต่ละวันบางครั้งก็มากันเป็นคณะคราวละร้อยสองร้อยท่านพระครูต้องต้อนรับขับจู้อย่างดีทั้งเรื่องที่พักและอาหาร เท่าที่สามารถอำนวยความสะดวกให้ได้ผู้ที่มาวัดต่างก็พากันประทับใจในอัธยาศัยไมยตรีของท่านไม่มีใครที่มาวัดนี้แล้วจะไม่อยากมาอีกพระบวยเหียวกลับไปที่กุฏิของท่านเดินจงกรมให้อาหารย่อยแล้วจึงส่งน้ําทําความสะอาดร่างกายหลังจากนั้นก็ไปหาท่านพระครูเพื่อให้ท่านสอบอารมณ์แล้วก็สอนวิธีนั่งสมาธิ เป็นยังไงเมื่อคือนนอนหลับสบายไหมท่านพระครูถามหลังจากที่พระใหม่ทําความเคารพและนั่งในที่อันสมควรแล้วสบายครับพระบูเหียวตอบแต่ไม่ได้เล่าเรื่องเสียงลึกลับให้ฟังด้ยเกรงจะถูกท่านดุว่าเกียจคร้านหลับไปตอนยุบหรือว่าตอนพองละ่ะเออจับไม่ได้ครับผู้บวชใหม่สารภาพคิดว่า คงจะถูกพระอุปชาดุแต่ท่านกลับพูดว่าเอาละยังจับไม่ได้ไม่เป็นไรคืนนี้คอยลองอีกทีภิกษุไวยใกล้สามสิบค่อยโล่งอกแถมยังแอ บ, บล้อเรียนท่านในใจว่าอัานแนหลวงพ่อพูดเอาละอีกแล้วสงสัยท่านคงใช้คำนี้วันละหลายร้อยหนพระใหม่ไม่รู้ดอกว่าผู้อาวุโสอ่านใจอยู่เงียบ เป็นสิทธ์อย่าหัดล้อเรียนครูบาอาจารย์ท่านพระครูกล่าวเสียงเรียบแต่พระโบเฮียวถึงกับสะดุง้งทำไม ห, หลวงพ่อรู้ครับถามเสียงอ่อยก็ทำไมฉันจะไม่รู้ละ่ะท่านย้อนถามพระบวทใหม่อดคิดไม่ได้ว่าท่านพระครูนี่ยังกับเป็นผู้วิเศษสงสัยคงเป็นพระอรหรันฉันไม่ใช่ผู้วิศวิเศษอะไรหรอกแล้วก็ไม่ได้เป็นพระอรหันด้วย ถ้าจะเป็นก็คงเป็นได้แค่อรหิท่านพูดยิ้มยิ้มคนเป็นสิทธิ์ยิ่งพิสวงงงวยหนักขึ้นไม่รู้ว่าท่านอ่านใจผู้อื่นได้อย่างไรอย่าเพิ่งสงสัยว่าทำไมฉันถึงทำได้ถ้าเธอปฏิบัติเคร่งครัดไม่ช้าก็ต้องทำได้เหมือนกันไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรฟังพระอุปชาพูดแล้วพระบดใหม่ก็ได้กาลังใจขึ้นอีกเป็นกองและคิดว่าจะทาให้ดีที่สุด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 หมาเห่าหนอนั้นใช่ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่กายานุปัสนาพระบุญเฮียวแปลกใจเป็นครั้งที่เท่าไหร่ของเช้านี้ก็นับไม่ถ้วนเชแล้วท่านพระครูมีอะไรให้ท่านพิศวงหลงไหลและท้าทายต่อการพิสูจน์ทดลองไปเสียทุกเรื่องพลันพระบทใหม่ก็นึกถึงคำบริกรรมของท่านตอนพายลมนึกหวั่นหวาดในใจว่าท่านจะรู้หรือไม่หนอ ก็พอดีท่านพูดขึ้นว่าทำไมจะไม่รู้นั่นก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันไม่มีใครเขาบริการพ่ลึกพิลั่นอย่างเธอหรอกนะพระหมายรู้สึกอับอายเป็นกำลังจึงอดครวนว่าโทษหลวงพ่อครับก็ผมบริกรรในใจแท้ๆทำไมหลวงพ่อถึงได้ยินแล้วครับอีกอย่างผมก็ทำอยู่ที่กุฏิผมโน้นฉันก็กำหนดเห็นหนอน่ะสิจาไว้นะ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 เช่นเย็นร้อนอ่อนแข็งและสิ่งที่มากระทบใจเรียกว่าธรรมรมเช่นดีใจเสียใจทุกใจจำได้หรือยังละ่ะเอาละ่ะไหนลองทบทวนสิอัยตนณะภายนอกมีอะไรบ้างตาหูจมูกกลิ่นกายใจครับอ๋อตาเธอหูเธอลอยอยู่ข้างนอกว่างั้นเถอะไหนตอบใหม่สิเอาให้แน่แน่รูปรสกลิ่นเสียงโถทับพระ และกามรมณ์ครับทำมารม์เว้ยไม่ใช่กามารมณ์คนละเรื่องเลยคนสอนบ่นอุบและเผลอพูดคําว่าเว้ยออกมาเอาละ่ะทีนี้อายตนะภายในเธอก็รู้แล้วคืนะต่อไปจะได้กําหนดให้ถูกต้องหลวงพ่อครับกําหนดกับบริการเนี่ยเหมือนกันไหมครับเหมือนกันจะใช้คําว่ากําหนดก็ได้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 คนตอบก็เลยหน้าบานได้คิดว่าถูกต้องดีแล้วจริงๆนะบัวเหียวคนอย่างเธอจะว่าสอนง่ายก็ไม่ใช่ครั้นจะว่าสอนยากก็ไม่ใช่อีกยังไม่ทันที่ท่านจะพูดต่อพระบัวเหียวก็ขัดขึ้นว่าจะว่าสอนง่ายก็ใช่จะว่าสอนยากก็ใช่ตั้งหากล่ะครับเอาละเอาละไม่บอกตามตรงนะบัวเหียวฉันไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเธอโง่ หรือว่าเธอฉลาดกันแน่จะว่าโง่ก็ใช่จะว่าฉลาดก็ใช่อย่างนั้นหรือเปล่าครับก็ทำนองนั้นแหละเอาละ่ะเอาเป็นว่าฉันคิดว่าเธอฉลาดก็แล้วกันขอให้ฉลาดอย่างนี้ตลอดไปนะท่านตั้งใจประชดสงพรปากครับพูดพร้อมกับยกมือขึ้นสาธุท่านพลักรูคลานที่จะตอบปากตอคําก็วกกลับมาเข้าเรื่องเดิม เอาล่ะเมื่อเธอเข้าใจอายตนะภายในภายนอกแล้วที่นี้เวลาปฏิบัติจะได้กําหนดให้ถูกต้องจับไว้ว่าอย่าไปปรุงแต่งให้กําหนดรู้เฉยเฉยทำไมถึงปรุงแต่งไม่ได้ล่ะครับหลวงพ่อก็ถ้าปรุงแต่งมันก็จะเป็นกิเลสนะสิอย่างเช่นเธอกําหนดว่าหอมหนอมันเป็นโลภะเหม็นหนอเป็นโทสะถ้าทําเฉยเฉย ไม่กําหนดรู้มันก็เป็นโมหะดังนั้นถ้าจะให้ถูกต้องกําหนดว่าได้กลิ่นหนอโดยไม่ไปปรุงแต่งว่ามันหอมหรือมันจะเหม็นเข้าใจหรือยังละ่ะเข้าใจแล้วครับดีแล้วเอาลาีิริบอกมาสิว่าถ้าได้ยินเสียงนกร้องจะกําหนดว่าอย่างไรได้ยินหนอครับทําไมไม่กําหนดว่านกร้องหนอ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 วิธีนั่งก็กาหนดนั่งหนอก่อนแล้วค่อย ๆ, ๆนั่งลงไปการนั่งสมาธิมีสามแบบคือแบบสมาธิชั้นเดียวนั่งอย่างนี้งอเขา่าขาซ้ายและขาขวาวางบนพื้นถ้าสมาธิสองชั้นก็ยกขาขวาวางทับบนขาซ้าย ถ้าสามชั้นหรือเรียกว่าสมาธิเพชรก็ยกขาซ้ายทับขาขวาแล้วจึงยกขาขวาทับขาซ้ายอีกทีหนึ่งและท่านก็จึงสาธิตวิธีนั่งสมาธิทั้งสามแบบให้พระโวเฮียวดูพระใหม่ทำตามได้สองแบบแรกและพยายามจะทำแบบที่สามแต่ก็ทำไม่ได้เพราะรู้สึกเหมือนขาจะหัก ทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำประเดี๋ยวขาแข้งหักไปจะยุ่งกันใหญ่ปฏิบัตินานๆเข้าก็ทำได้เองเอาละ่ะวันนี้นั่งสองชั้นไปก่อนอย่างนั้นถูกแล้วเอาละ่ะทีนี้ก็เอามือวางบนหน้าตักใจมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายเหตตรงดำรงสติให้มั่นค่อยๆหลับตาลงช้าๆหายใจลึกๆ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 แล้วอย่าไปปรุงแต่งเอาละนั่งไปครบกำหนดเวลาแล้วฉ่านจะบอกเองในความรู้สึกของพระบัวเหียวเวลาสี่สิบนาทีช่างดูยาวนานเสนักหนา ท่านจัพองยุบได้ช่วงแรกๆละนั้นก็ยังลงหนอไม่ค่อยจะทันเพราะมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากนั่งไปสักครู่ก็รู้สึกอึดอัดขัดข้องลมในท้องเริ่มปั่นป่วนอีกครั้งท่านพยายามกลั้นเอาไว้หากปล่อยพูดปาดออกมาก็เกรงว่าจะต้องอับอายขายหน้าเมื่ออันไว้หนักเท่าก็กลายเป็นความกังวลจนจับพองยุบไม่ได้อย่าไปกังวล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 ตนปฏิบัติถูกต้องดีแล้วอาหางการก็เกิดขึ้น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 ทันตรวจสอบคนที่กําลังนั่งสมาธิอยู่ก็รู้ว่าระจิตของเขาจึงพูดขึ้นว่าสนุกใหญ่เลยนะบวยียวนนะทาไมถึงไม่กําหนดฟุ้งซ่านหนอละ่ะพระใหม่จึงตั้งสติกําหนดฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอแล้วกลับมากําหนดพองยุบประเดี๋ยวหนึง่งอาการปวดขาก็ประดังขึ้นมาอีกปวดราวกับว่ามันจะแตกออกเป็นเสียงเสียง คิดที่จะเปลี่ยนท่านั่งท่านพระครูก็กําชับขึ้นว่าอย่าเปลี่ยนให้กําหนดอดทนหนอะพัเพียงหนอแล้วกลับไปที่พองยุบอีกมันไม่ไหวแล้วครับหลวงพ่อพระบูเหียวกล่อมครวญอยู่ในใจกลาวนี้รู้แล้วว่าพระอุปจารต้องรู้อะไรอะไรในใจของท่านพระอุปจารู้หมดต้องไวส้สิตั้งใจไว้เลยว่าตายเป็นตาย ผมยังไม่อยากตายนี่ครับพระใหม่แอบเพียงในใจยังไม่อยากตายแต่ถ้าถึงที่มันก็ต้องตายแต่ถ้าตายในขณะปฏิบัติก็จะไปเกิดในสุคติภูมิไม่ต้องไปอบายภูมิเลือกเอาว่าจะเอาอย่างไหนงั้นเอาอย่างหลังครับตอบในใจเช่นที่เคยดีแล้วต้องกล้าหาญอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าสักยะบุตรนี่แหละ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 แปลว่าความรู้สึกมีสามอย่างสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขะมะสุขเวทนาหมายถึงความรู้สึกสุขทุกขและไม่สุขไม่ทุกหรือที่เรียกว่าเฉยเฉยรู้สึกอย่างไรก็กาหนดไปอย่างนั้นเช่นขณะที่เธอปวดเธอเป็นทุกขก็กาหนดทุกขเนอแต่ถ้าปวดไม่มากไม่รู้สึกว่ามันทุกขก็กาหนดปวดหนา ถ้าสุขก็กำหนดสุขหนอถ้ารู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ก็กำหนดเฉยหนอคือต้องตามรู้ความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็กำหนดรู้เท่าทันห้ามไปจับไปยึดพิษุหนุ่มตั้งสติขมทุกขเวทนาไว้อย่างยากเย็นพยายามทำตามที่พระอุปชาสอนหากอาการปวดก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น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 และเปลี่ยนเป็นเย็นซาบซ่านไปทั่วทุกขุมขนน้ำตาไหลพรากพรากด้วยความปีติท่านก้มลงกราบพระอุปัชฌาย์ด้วยความรู้สึกสำนึกในพระคุณอย่างหาที่สุดมิได้สีนสมาธิปัญญาได้ซักฟอกและขัดเกลวจิตใจที่เคยหยาบกระด้างของท่านให้ละเอียดประนีดขึ้นกะตันยูกระเตะเวทิตาทำจึงเกิดเองโดยไม่ต้องมีผู้ใดมาบอกกล่าวเอาล่ะ ทีนี้ก็มาสอบอารมณ์กันแล้เดี๋ยวจะได้กลับไปพักผ่อนคืนนี้จะได้สอนการเดินระยะที่สองให้ครับผมอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าทําไม่คิตของเรามันจึงอยู่นิ่งไม่ได้ช่วงเวลาที่ผมนั่งผมคิดอะไรต่อมีอะไรไปร้อยแปดมันไม่สงบเลยครับที่แปลกก็คือเวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิกลับไม่คิดอะไร นั่นแหละธรรมชาติของจิตละ่ะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสเปรียบเทียบจิตว่าไม่อยู่นิ่งเหมือนลิงปกติลิงจะไม่อยู่เป็นสุขต้องหลุกลีกวางนี่จับโน่นทำท่านั้นท่านี้อยู่ตลอดเวลานอกจากจะหลับเท่านั้นแม้แต่หลับก็ยังหาหลับนานไม่เพราะฉะนั้นจึงต้องมาฝึกจิตกันยังไงละ่ะทำไมจิตถึงต้องฟุ้งซ่านเฉพาะเวลานั่งสมาธิล่ะครับ ในเวลาปกติทำไมมันไม่ฟุ้งซ่านพิกจุหนุ่มถามอีกจิตมันฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลานั่นแหละไม่ว่าจะตอนนั่งหรือไม่นั่งเพราะจิตมันมีหน้าที่รู้อารมณ์แต่ตอนนั่งเรารู้สึกว่ามันฟุ้งซ่านก็เพราะเราเอาสติไปกำกับมันบังคับมันให้จดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวมันก็เลยต่อต้านแต่ในเวลาปกติเราไม่ได้เอาสติไปกำกับมัน เราจรึงไม่รู้สึกว่ามันฟุ้งซ่านพูดง่ายๆก็คือจิตมันฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ค่อยจะรู้เมื่อใดที่เอาสติไปกํากับมันเราจรึงจะรู้ชัดเข้าใจหรื อ, อยังละ่ะเข้าใจแล้วครับผมต้องขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาอธิบายอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนท่านพระครูนึกชมพระมหาบุญที่สามารถอบรมบ่มนิสัย จนกระทั่งพระบัวเหี่ยวเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ทั้งกริยามารยาทตลอดจนการพูดการจาดูดีขึ้นผิดกับเมื่อตอนมาใหม่ๆราวกับคนละคน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 เราไม่สามารถไปบังคับบัญชามันได้เราทำได้ก็เพียงกำหนดรู้มันเท่านั้นท่านพระครูอธิบายพลันสายตาก็เหลือไปเห็นลูกศิษย์วัดยืนลับๆ ล, ล่อๆ อ, อ, อ, อ, อยู่ตรงประตูจึงถามออกไปว่ามีอะไรหรือส้มชายเด็กหนุ่มก็กลานเข้ามากราบสามครั้งแล้วก็รายงานว่ามีคนจากนครสวรรค์เข้ามาขอขึ้นกรรมฐ า, านกับหลวงพ่อครับบอกให้เขาเข้ามาได้เลย พระบัวเหียวตั้งท่าจลาแต่ท่านพระครูห้ามเอาไว้สักครู่บุรุษวัยกลางคนก็ประคองผ่านดอกไม้ทูกเทียนเดินเข่าเข้ามาหาท่านพระครูพร้อมกับเพื่อนวัยเดียวกันอีกสองคนเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงสั่งให้พระบัวเหียวนำคนทั้งสามกล่าวคำสมาทานกรรมาฐานแล้วให้สอนการเดินจงกรมและนั่งสมาธิด้วยพระใหม่ รู้สึกขัดเคินเพราะตัวท่านเองก็เพิ่งจะหัดมาได้สองวันเข้าวันนี้หากทั้นก็สอนอย่างตั้งอกตั้งใจที่สุดจนบุรุษทั้งสามสามารถเดินจงกรมระยะที่หนึ่งได้และรู้วิธีนั่งสมาธิเอาละ่ะเดี๋ยวไปทานข้าวทานปลาแล้วกลับไปปฏิบัติอย่างกุฏิของตนสองทุ่มค่อยมาสอบอารมณ์ได้ที่พักหรือยงัง ท่านถามคนที่ถือพานมาเมื่อตอนเข้ามาเพราะว่าเขามีลักษณะเป็นผู้นำมากกว่าอีกสองคนยังครับพวกผมเพิ่งมาถึงครับเขาตอบอย่างนอบน้อมสมชายไปดูที่ว่ามีกุฏิกรรมฐานหลังไหนว่างอยู่บ้างไม่มีเลยครับหลวงพ่อผมไปสำรวจมาแล้วเด็กหนุ่มตอบถ้าอย่างนั้นไปพักบนศาลา ก, ก็แล้วกัน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 หยุดมาสิบกว่าวันแล้วครับแต่พวกผมเกิดนึกอยากจะมาเอาเมาตอนใกล้จะเปิดเออเอาละ่ะถึงจะอยู่แค่สามวันถ้าตั้งใจปฏิบัติจริงจรงจังๆก็จะได้ผลพอสมควรไหนชื่ออะไรกันบ้างเผื่อว่าหลังเจอกันจะได้ทักทายได้ถูกต้องผมชื่อจริตครับเป็นครูใหญ่ผมชื่อบุญมีอีกคนนึงชื่ออรุณเป็นครูน้อย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 แล้วหันมาบอกคนเป็นครูใหญ่ว่าตามเด็กวัดไปทานข้าวทานปลาให้อิ่มน้ำสำราญเสียก่อนแล้วค่อยปฏิบัติมีปัญหาอะไรก็มาถามอาตมาได้ทุกเวลาคนทั้งสามกราบท่านแล้วจึงลุกตามเด็กวัดออกไปคนเป็นครูใหญ่เดินนำหน้านี่โบฮิเอลเธอจาไว้นะคนที่เดินนำหน้าจะต้องถูกรางวัลที่หนึ่งเชื่อฉันไหล่ะ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 หลวงพ่อจะบอกเขาก่อนไหมครับว่าเขาจะถูกรางวัลที่หนึ่งบอกไม่ได้สิเดี๋ยวเ้าก็ไม่เป็นอันปฏิบัติหลวงพ่อครับแล้วผมจะได้เห็นหนออย่างหลวงพ่อไหมครับถามอย่างสนใจก็แล้วแต่เหตุปัจจัยถ้าเธอหมั่นประกอบความเพียรอย่างสม่ําเสมอก็พอมีทางท่านตอบแบ่งรับแบ่งสู้นอกจากหลวงพ่อแล้วมีคนอื่นได้เห็นอีกไหมครับมีหลายคนเหมือนกัน มันไม่ยากอะไรนี่อย่างคุณนายลยายําไยแกก็ได้ขนาดแกอ่านหนังสือไม่ออกเดินจงกรมนั่งสมาธิก็ไม่เป็นแต่แกมีความเพียรดีเรื่องมันยาวถ้าอยากรู้วันหลังก็จะเล่าให้ฟังอย่าลืมว่าจุดประสงค์สำคัญที่เธอมาที่นี่เพื่อจะมาแก้กรรมส่วนอย่างอื่นถือว่าเป็นผลพลอยได้เอาละไปได้แล้วเดี๋ยวคนอื่นเขาจะรอสิบเอ็ดโมงกว่าแล้ว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 ท่านพักครูใช้เห็นหนอตรวจสอบดูก็รู้ว่าพวกเขารื่นเริงในธรรมแต จ, จนไม่สามารถกำหนดนั่งได้จึงเดินไปยังศาลาเพื่ออนุเคราะห์คนทั้งสามเห็นเจ้าอาวาสเดินมาก็รู้สึกตัวรีบลงนั่งกราบท่านพร้อมกันราวกับนัด การตั้งหกชั่วโมงไม่รู้สึกเหนื่อยกันบ้างหรือหกชั่วโมงเชียวเหรอครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันรู้แต่ว่ามันเพลินจนลืมกําหนดนั่งมิถ้าหลวงพ่อไม่ขึ้นมาสงสัยพวกผมคงเดินกันจนถึงเช้าคนเป็นครูใหญ่พูดแน่นอนแบบนี้ก็เรียกว่ารื่นเรืองในธรรมแล้วดีนี่ครับครูอรุณเพื่จาพูดเป็นครั้งแรกไม่ดีแน่เพราะสมาธิกับวิริยะ มีมากจนสติตามไม่ทันการปฏิบัติธรรมที่จะได้ผลดีนั้นจะต้องให้สมาธิวิริยะและสติสมาดุนกันไม่ให้อันหนึ่งอันใดล้ำหน้าอันอื่นเอาละทีนี้ก็มากำหนดนั่งให้นั่งคนลาหนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วก็อาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยสองทุ่มไปหาอัตมาที่กุฏิคนทั้งสามก้มลงกราบท่านสามครั้ง แล้วจึงกำหนดนั่งสมาธิท่านพระครูนั่งอยู่อีกครู่หนึ่งเห็นเขาปฏิบัติกันถูกต้องดีแล้วจึงเดินกลับกุฏิของท่านเมื่อพระบุญเฮียวมาสอบอารมณ์ที่กุฏิของพระอุปชาก็พบว่าครูทั้งสามนั่งคุยกับท่านพระครูอยู่ก่อนแล้วพวกเขาทำความเคารพเมื่อท่านไปถึงแล้วเจ้าอาวาสก็ถามคนที่เป็นครูใหญ่ขึ้นว่ามีอาการอย่างไรบ้าง กำหนดพองยุบชัดไหยชัดครับแต่รู้สึกอึดอัดมีลมอัดอยู่ในท้องมากจนทำให้ปั่นป่วนครูใหญ่รายงานและโยมทำยังไงก็ปล่อยให้มันออกมาโดยวิธีธรรมชาติครับกำหนดหรือเปล่ากาหนดครับผมกำหนดไปตามจริงได้ยินหนาบ้างได้กลิ่นหนาบ้างครูใหญ่ตอบฉะฉานและโยมละ่ะ หันไปถามครูบุญมีเหมือนครูใหญ่ครับครูบุญมีตอบท่านจึงหันไปทางครูอรุณผมนั่งหลับน้ำลายไหล ย, ยืดเลยครับครูอรุณตอบคนอื่นๆพากันหัวเราะรวมทั้งท่านพระครูและพระบบยเหียวที่เจ้าอาวาสสอบอารมณ์คนทั้งสามต่อหน้าพระบบวเฮียวก็เพื่อต้องการสอนพระบทใหม่ทางอ้อมท่านมองหน้าผู้เป็นสิทธ์เหมือนจะพูดว่า เห็นไม่บัวเหียวคนอื่นๆเขาไม่เห็นเรื่องมากอย่างเธอเลยชลอยพระใหม่จะเดาความคิดของท่านออกจึงแอบเถียงในใจว่าโทษหลวงพ่อครับก็พวกเขาเป็นครูผมมันแค่ปอสีจะให้เก่งกาจเท่าเขาได้ยังไงพระอุปชานึกขำคนที่เป็นลูกศิษย์ชักจะอ่านความคิดของท่านออกก็จึงสรพยอกขึ้นว่าเธอรู้สึกว่า เธอจะได้เห็นหนอแล้วนะบวเหียวพระบวยเหียวนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ทั้งที่รู้ว่าท่านสัพยอกแต่ใจก็แสนจับปลืม้มอย่างน้อยมันก็เป็นนิมิตหมายอันดีว่าสักวันหนึ่ง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 ไหนบัวเฮียวลองบอกมาซิว่าเดินจงกรมระยะที่สองมีกี่หนอสองนอครับระยะที่สามก็สามนอลูกศิษย์ตอบเกินคำถามถูกแล้วระยะที่สองให้บริกรรมว่ายกหนอเหยียบนอขณะที่ปากว่ายกก็ให้ยกเท้าขวาขึ้นช้าช้าสูงจากพื้นประมาณสามนิ้ว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 แล้วจึงบอกคนทั้งสี่มีพระหนึ่งคฤหัสสามให้ทดลองเดินคนเป็นครูเดินได้โดยไม่ยากนักคนเป็นพระถึงกับเหงือกตกคิดจะค้านพระอุปชาว่าก็ไหนหลวงพ่อว่าให้เดินเวลาหนึ่งระยะยังไงละ่ะและทําไมสามคนนี้จึงเดินเวลาสองระยะได้ก็เลยเลิกล้มความตั้งใจกระนั้นเสียงพระอุปชาก็ยังลอยมาเข้าหูว่า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 ก็มาที่กุฏิอัตมาได้ตลอดเวลาไม่ต้องเกรงใจถ้าหลับอยู่ก็ให้เด็กปลุกได้ท่านพลักครู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 ท่านนั่งไปเรื่อยๆกระทั่งสี่สิบนาทีผ่านต้นไปจึงรู้สึกปวดที่ขาทั้งสองข้างแรกๆก็พอทนได้ท่านจึงกําหนดรู้หนอครั้นปวดมากเข้าจึงเปลี่ยนเป็นปวดหนอแล้วก็ไม่ใส่ใจกลับไปจับพองยุบต่อโดยไม่ยอมเปลี่ยนท่านั่งเมื่อจิตเริ่มตั้งมั่นเป็นสมาธิอาการปวดดูเหมือนจะทุเลาลง ท่านรู้สึกสบายขึ้นเรื่อยๆถึงขั้นกำหนดสุกหนอได้จึงเสียดายนักเมื่อเกรงนาฬิกาดังขึ้นระบใหม่กำหนดลืมตาเอื้อมมือไปกดปุ่มนาฬิกาและลุกขึ้นโดนจงกลมระยะที่หนึ่งใหม่คราวนี้ท่านไม่ตั้งเวลาจะเดินจะนั่งจนจะเป็นที่พอใจไม่ต้องให้เวลามาเป็นตัวกำหนดท่านเดินขวาย่างหนอ ซาหย่างหนออยู่พักใหญ่ๆจึงเปลี่ยนมาเป็นยกหนอเหยียบหนอระยะที่สองเดินยากท่านเลยเดินน้อยหน่อยเสร็จแล้วจึงกำหนดนั่งอยากได้อารมณ์เหมือนมอเตอรกี้นี้ระมันสุขสบายดีแท้ๆพิกษุหนุม่มไม่รู้ตัวดักว่ากำลังถูกมารหลอกลอก่อให้หลงทางเสียแล้วท่านนั่งกำหนดพองหนอยุบหนอไปเรื่อยๆ รู้สึกชุ่มชื่นเย็นฉ่ำในหัวใจอาการปวดเมื่อยไม่ปรากฏท่านสบายซะจนไม่ยอมกำหนดสุขหนอเพราะกลัวมันจะหายไปพระโบเยวเพลิดเพลินในสุขกระทั่งลือแม้องค์บริกรรมเมื่อไม่กำหนดพองยุบสติก็เผลอไพลจิตจึงฟุ้งซ่าล่องลอยไปในภาวะนั้นท่านเห็นตัวเองลอยอยู่กลางนภาอากาศ มีรัศมีสวยงามแผ่ซ่านออกมาจากกายเสียงไพเราะกระซิบที่ข้างๆท่านสำเร็จแล้วท่านสำเร็จแล้วไปสิท่องเที่ยวไปอยากไปไหนก็ไปได้ทุกแห่งหนถ้าอย่างนั้นฉันอยากไปนรกช่วยพาฉันไปหน่อยท่านพูดโต้ตอบกับเสียงไพเราะนั้นไม่ต้องพา ท่านเป็นเองได้เพียงแค่นึกก็ถึงแล้วจริงหรือเอาละถ้าอย่างนั้นฉันจะนึกอยากไปเมืองนรกแล้วท่านก็รู้สึกว่าตัวเองลอยไปถึงเมืองนรกเห็นโยมบาลกำลังตักน้ำที่กำลังเดือดอยู่ในกระทะทองแดงกรอกปากบิดาท่านจึงพูดกับโยมบาลว่าท่านโยมบาลอาตมาจะพาไปเที่ยวเมืองสวรรค์ขอให้ช่วยโยมบิดาของอาตมาขึ้นจากนารกด้วยเถิด คนที่ท่านกำลังเอาน้ำร้อนกรอกปากอยู่นั่นน่ะคือโยมบิดาของอาตมาหลวงพี่ที่เคารพนับประสาอะไรที่จะช่วยโยมบิดาของหลวงพี่ได้ละ่ะแม้แต่แม่ยายผมผมยังช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้จริงๆภรยาเขาก็ขอร้องมาบอกให้ช่วยแม่ด้วยนะพี่นะนึกว่าสงสารแก่แม่ยายท่านทำบาปอะไรมาละ่ะ แกฆ่าสัตว์พวกหมูเป็ดไก่หานฆ่ามาไหว้เจ้าตอนตรุษ จ, จีนใจคอแกโหดเยี่ยมทารุนดุร้ายก็ท่านยยมาบาลทำไมช่วยไม่ได้เล่าโทษหลวงพี่ไอผมก็อยากจะช่วยแต่โจทย์มันมาประท้วงกันเต็มไปหมดทั้งหมูเป็ดไก่หานดูสิมันยืนประท้วงอยู่นั่นส่งเสียงร้องระงมเลย พระปุฮิเยวมองออกไปก็เห็นจิงดังโยมบาลว่าจัดเหล่านั้นส่งเสียงร้องเสง็งแซ่จับความได้ว่าไม่ได้นะโยมบาลช่วยไม่ได้ยายคนนี้ทำกับพวกฉันทุกทรมานแสนสาหัสถ้ายมบาลช่วยมันพวกฉันจะไปฟ้องพยายมราชให้ลงโทษท่านโจดขู่เห็นไหมหลวงพี่เห็นหรือยังว่าผมช่วยไม่ได้จริงๆ ครับผมช่วยโยมบิดาของหลวงพี่เดี๋ยวพวกวัวควายมันก็ไล่ขิดผมตายเท่านั้นก็โยมบิดาหลวงพี่ฆ่าวัวฆ่าควายไว้เป็นร้อยเป็นพันตัวถ้าไม่เชื่อผมจะไปเปิดบัญชีให้ดูก็ได้ไม่ต้องหลอกท่านโยมมาบาลอาตมาเชื่อท่านพูดกับโยมมาบาลแล้วจึงหันไปพูดกับโยมบิดาว่าโยมพ่ออาตมาพยายามช่วยแล้วแต่โยมมาบานเขาไม่ยอม โยมพ่ออดทนไปก่อนนะอาตมากำลังปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่ที่วัดป่ามะม่วงและจะแผ่ส่วนกุศลไปให้อาตมาขอลาจะไปดูสวรรค์สักหน่อย